กกน ใ, ในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายปลายทางอุทยานตาโตนตั้งแต่วันแรกจนถึงนาทีนี้นะเราได้เดินทางด้วยเท้าของเราเป็นระยะทาง 100ร้อยกิโลเมตรเจษเศษร้อยกิโลเมตรต้นต้นนะช <N> ืะว่าหลายคน <N> ก็คงไม่คาดคิดว่าตัวเองจะสามารถเดินเท้าเปล่าไม่ว่าจะใส่ของเท้าหรือไม่เปเรียทางขนาดนี้ได้นะ เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราแค่ระยะทาง2กิโลเมตรเนี่ยเราก็สวนมันไกลแล้วก็น้อยคนที่คิดอยากจะเดินส่วนใหญ่ก็อาจจะจ้างมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ขับรถ ชีวิทีเร่งรีงรบนะแล้วก็ชีวิตที่สะดวกสบายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าในการเดินระยะทางสองกิโลเนี่ยมันเสียเวลามากครั้นมาเดินธรรมยาตาระยะทางเป็นร้อยกิโลหลายคนก็คงไม่คาดคิดว่าจะทำได้ แต่พวกเราก็ทําได้แล้วก็ทําสําเร็จนะี่ยจริงระยะทางร้อยกิโลมันก็แค่กรุงเทพสรบุรีเท่านั้นแหละนะ <c oughs> เวลาเราจะเดินทางนะไปเขาใหญ่ไปเชียงใหม่ไปผูก็ดึงนะระยะทางแค่นี้นี่มัน ร้อยกิโลเไม่มีความหมายนะกรุงเทพสระ บ, บุรีรปุ๊บเดียวนี่ก็ถึงแล้วแต่พอเราได้ลองมาเดินด้วยเท้าของเรานะจะรู้สึกเลยนะว่าในด้านหนึ่งนะมันก็เป็นระยะทางที่ยาวไกลแล้วก็ยาก เพราะว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นพื้นเรียบนะอย่างเส้นทางกรุงเทพสระ บ, บุรีนะมันมีขึ้นมีลงนะทางก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แต่ในอีกด้านหนึ่งนะแต่ละกิโลเมตรที่เราเดินมันเป็นกิโลเมตรที่มีความหมายเพราะว่ามันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเรา ต้องใช้ความเพียรพยายามแต่ละกิโลเมตรนี่มันได้มาด้วยความเหนื่อยความยากนะแล้วความเจ็บความปวดตลอดร0อยกิโลเมตรเนี่ยความร้อนความปวดความเมื่อยอันนี้เป็นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเรา แทบจะตลอดทางหรือก็ว่าได้ยังไม่นับถึงความหิวกระหายที่จริงธรรมญาตาปีนี้ก็มีเกือบทุทกรสชาตินะความร้อนความอ้าวความชื้นแฉะความเย็นขาดอย่างเดียวนะันคือความหนาว ถ้าเป็นเมื่อแปดปีที่แล้วซึ่งเรามามามาจบธรรมญาตราที่อุทยานตากโตนเนี่ยถึงตอนนี้นี่มันหนาวนะหนาวมากเลยแต่ว่าตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมานี้เราแทบจะไม่ได้รู้สึกถึงความหนาวมีแต่ความเย็นแต่แม้กันนั้นเนี่ย รสชาตินะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราได้เจอโดยเพราะที่มันเป็นทุกขเวทนาเนี่ยเช่นร้อนปวดเมื่อยหิวมันก็เข้มข้นพอสมควรแต่ละกิโลเมตรที่เราเดินที่เราได้มาหรือที่เราสะสมนี่มันได้มาด้วยความเหนื่อยยากแต่ก็เชื่อว่ามัน เป็นกิโลเมตรที่มีความหมายสำหรับเราอาตมาเชื่อว่าเมื่อสักวันหนึ่งนะเมื่อเราได้มีโอกาสขับรถผ่านเส้นทางที่เราใช้เดินธรรมยตราตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมนะ แต่ก่อนเราเดินเราขับรถเนี่ยเราก็ถือว่ามันก็เป็นศักแต่ว่าทางผ่านนะแต่คราวนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ทางผ่านนะเพราะว่ามันเป็นทางที่เราเรียกว่าแลกมาด้วยยาเงือกนะแลวความเจ็บปวดมันมันจะกลายเป็น เมื่อเราผ่านเส้นทางเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาตมาเชื่อมันคงจะตื่นให้เราเระลึกนึกถึงความเหนือยยากแต่ว่าเมื่อนึกถึงแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและจะรู้สึกรวมไปถึงความความมีน้ำใจที่เราได้รับจากเพื่อนร่วมทาง รวมทั้งชาวบ้านที่เขาต้อนรับเราหรือว่าเอื้อเฟื้อเราตลอดทางมันจะไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ว่างเปล่าจากความรู้สึกเป็นเส้นทางที่เหมือนกับทางทั่วๆไปที่เราขับรถผ่านแต่เมื่อเราเ ร, ารินึกถึงเราก็จะมีความ ปิติความสุขมันเป็นความสุขที่มีความหมายเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของเรา <c oughs> อาตมาเชื่อเลยนะว่าตลอดเจ็วันเนี้นะถึงแม้มันจะยากลําบากเนี่ยแต่หลายคนก็ได้สัมผัสกับความสุขรวมทั้งความสนุกด้วยนะความสุขกับความสนุกมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็สามารถจะเกิดขึ้น สลับกันซึ่งก็น่าคิดนะว่าทั้งที่มันลำบาก <c oughs> มันเหนื่อยยากแต่ว่าไม่มีรสชาติของความสุขตรงนี้ธรรมาคื่อเป็นเป็นประสบการณ์ที่สำคัญนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่าความสุขเนี่ยต้องเกิดจากการที่ ได้พบกับความสบายความสุขกับความสบายมาด้วยกันถ้าได้ไปที่ที่สบายได้เสพของที่อร่อยได้นอนห้องแอร์บนเตียงที่อ่อนนุ่มอาหารได้ฟังเพลงที่เพราะคนก็ เชื่อวันนี้แหละความสุขหละคืนนี่แหละแต่ประสบการณ์ธรรมยาตา่ารทำให้คนเนี่ยหลายคนได้ได้คิดนะว่าทั้งที่มันยากลำบากนะต้องนอนกลางดิน ก, กลางทรายอาหารก็ง่ายๆนะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ถูกปาก ลำบากหลายอย่างเข้าห้องน้ำไม่มาพูดถึงการเดินนะมันก็ลำบากไปเกือบตลอดทางนะแต่ว่ามันมีความสุขเป็นความลำบากกายแต่ก็ให้เกิดความสุขใจมันไปด้วยกันได้นะแล้วก็มันไม่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ อย่าไปคิดว่าสุขใจนี่ต้องได้มาจากความสบายกายมางทีลำบากกายแต่สุขใจก็ได้ลองทบทวนนะของประสบการณ์ของเราในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรามีความสุขหรือแม้กระทั่งความสนุกเนี่ยนะบ่อยครั้งมันไม่ใช่เป็นช่วงที่เราสบายเท่าไหร่ลำบากแต่สนุก เหนื่อยยากนะแต่ว่าสุขใจเมื่อสักหลายปีก่อนนะนเกือบสิบปีแล้วเนี่ยอาจะมากับเครือข่ายพฤทธิการเนี่ยเคยร่วมจัดโครงการที่เราสุขแท้ด้วยปัญญาก็มีการหาทุนสนับสนุนให้กับกลุ่มต่างๆเนี่ย จัดกิจกรรมที่มีคุณค่านะต่อจิตใจซึ่งพนุกเรื่องการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยก็มีโครงการหนึ่งนะเป็นโครงการละครโครงการละครสำหรับเยาวชนก็มีเด็กคนหนึ่งสนะิบสามผู้หญิง แกก็สมัครเข้าร่วมค่ายนี้แล้วแกก็มีความฝความฝันมากลยนะว่าโอ้ค่ยายนี้เนี่ยนะแกจะได้นได้ทําในสิ่งที่แกชอบแต่พอแกไปถึงค่ายนี้เนี่ยนะแกก็ผิดหวังเพราะว่ามันก็จัดอยู่ตรงเรียกว่ากลางทุ่งเลยนะทุ่งนาสมัย น, นั้นก็อยู่ชานเมืองอยู่ชานเมือง ชานกรุงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะอันนี้มันสมัยก่อนนะไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมาบางทีชานกรุงหรือว่าแถวเมืองอแถวหนองนอยุธยาเนี่ยไม่มีครื่นโทรศัพท์แกผิดหวังมากเลยเพราะว่าโทรศัพท์แกใช้ไม่ได้คือเด็กเนี่ยติดโทรศัพท์น่ถ้าถามไม่มีโทรศัพท์ให้ดู เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ง่ายๆก็อยากจะเลิกอยากจะกลับนะแต่ว่ามาถึงนี่แล้วเนี่ยก็ต้องเลยตามเลยแต่ในช่วงที่เข้าอยู่ค่ายเนี่ยสามวันทั้งที่อยู่ก็ไม่สบายการกินการนอนก็ลำบากนะแต่ว่าแกได้ทำในสิ่งที่แกชอบนะได้ร่วมแสดง ได้ร่วมเขียนบทนะแล้วบางทีก็มีกิจกรรมก็แค่ว่าเป็นผู้กำกับไปด้วยแกก็สนุกนะกับค่ายกับกิจกรรมในค่ายพอถึงว่าสุดท้ายในวันที่สี่เนี่ยแกก็รู้สึกเสียดายนะว่ามันค่ายมันจบเร็วเสียดาย อยากจะให้มันอยากจะมีอยากจะให้ค่ายเนยี่ยนานกว่า น, นี้สักพักแกก็ได้คิดว่าฉกคิดขึ้นม า, าเอ้ยให้วันแรกเนี่ยแกอยากจะกลับบ้านนะแต่ทําไมพอสุดท้ายเนี่ยแกอยากจะอยู่ต่อทั้งที่มันก็ลําบากมันไม่ถูกใจหลายอย่างโดยเพราะที่ไม่โกไม่มีคลื่นโทรศัพท์เนี่ยอยากได้ค่ายคนได้พบว่าอ๋อ ที่แกไม่อยากให้ไข้มันจบเร็วเนี่ยเพราะแกมีความสุขแล้วความสุขนั้นเนี่ยเกิดจากการที่แก้ได้ทําในสิ่งที่ชอบตรงนี้จะเรียกว่ามันแกเกิดอาการปิ้งขึ้นมาก็ได้นะเอ๊ะเราเคยคิดนะว่าความสุขเนี่ยมันต้องได้จากเกิดจากความสบายนะได้เที่ยวได้เล่นได้เสพอันนี้ผู้ประสาตมาร น, นะแต่ว่า ถึงแม่ลำบากมันก็สุกได้นะตรงนี้ก็ไปสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการนนะสุขแท้ด้วยปัญญาไหมครับว่าสุกได้เนี่ยไม่ใช่เพราะการเสพแต่สุกได้เพราะว่ามันเกิดจากความเจริญงองงามทางสติปัญญาจะรู้จักคิดคิดถูกคิดเป็นอะไรเงี้ยความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเสพ หรือเราครอบครองเรามีนั่นมีนี่เท่านั้นนะมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากการเสพแต่เกิดจากการได้ทําำได้ทําสิ่งที่ชอบแม้จะเหนื่อยแม้จะยากแต่ว่าเกิดความภาคภูมิใจอันนี้แหละเป็นความสุขใจในความสุขที่เกิดจากการเสพเนี่ยมันเป็นความสุขกายแล้วคนก็คิดว่ามีมีความสุขแค่นี้แหละคือการสุขที่ได้เสพ เวลานึกถึงความสุขก็อยากจะไปเที่ยวห้างอยากจะมีกระเป๋าของใช้แบรนด์เนมอยากจะมีอะไรต่ออะไรมากมายดูหนังฟังเพลงแต่ที่จริงมันมีความสุขที่ดีกว่า น, นั้นประเสริกลว่า น, นั้นคือความสุขจากการได้ทำสิ่งนี้็นคุณค่าสิ่งที่มีความหมายทำด้วยน้ำพักน้ำแรงทำความสุขแบบนี้เนี่ยแม้จะเหนื่อยกายนะแต่ว่าสุขใจและมันเป็นสุขที่จะอยู่ได้ยืนนาน อันนี้ก็ได้ได้เคยพูดไว้นิดหน่อยแล้วนะสองสามวันก่อนนะถึงเรื่องของว่าไอ้ความทุกข์ยากเนี่ยมันทำให้เกิดประสบการณ์ที่ตราตึงใจเช่นเวลาออกค่ายที่ลำบากนะแม้ว่าจะแทบจะตบตีกันทะเลาะกันในค่ายแต่ว่าผ่านไปแล้วมารู้สึกถึงมิตรภาพที่ที่ที่ที่ประทับใจแล้วก็เป็นสายใยที่ยึดเหนียวให้ เมิสหายกันในเวลาจะผ่านไปสี่สิบปีพอนึกถึงเหตุการณ์ในค่ายที่ลำบากยากเข็นนะก็กลับรู้สึกพื้นปิติรู้สึกสนุกสนานรู้สึกหัวเราะนะในความโง่ความเขลาที่มาทะเลาะกันเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องอาหารนะ แต่ว่าเราเราไม่ต้องรอให้เวลามันผ่านไปหลายปีถึงเคยมาเห็นคุณค่าของความเหนื่อยยากธรรมยาตราเนี่ยช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสใคร่ครวนสักหน่อยนะก็จะเห็นความจริงข้อนี้ได้ไม่ยากเพราะว่าเราได้อยู่ด้วยกันกันมานะเ ร, เรียกว่าแทบจะ ยิชั่วโมงตอน1วันแล้วมันมีประสบการณ์ที่เข้มข้นหลายอย่างนะที่เราควรจะเก็บเกี่ยวเอามาใช้เพื่อ ค, คลายครวนอย่างที่อามาได้ย้ำาหลายครั้งว่าเวลาเราทุกเวลาเราเหนื่อยปวดเมื่อยเนี่ยอย่าให้มันทุกฟรฟรีฟรนะอย่าให้เหนื่อยฟรีฟีจริองอันนี้ก็เป็นคำกลุมมเขียนท่นพูดบ่อยนะ แต่ว่าท่านพูดในความหมายที่วาเวลาปฏิบัติธรรมจะให้ยกมือเดิมที่ฟรีมันต้องได้อะไรนะสักอย่างสองอย่างจากประสบการณ์ซึ่งกรวมถึงความปิดความเมื่อยความทุกขนะ์มันเต็มไปด้วยประสบการณ์ดีๆมันเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยบทเรียนดีๆที่จะให้เราเก็บเกี่ยวแต่เราต้องใคร่ตรวนมันนะ อันตราว่าสิ่งที่หลายคนจะรู้สึกประทับใจนะอาจจะไม่ใช่ <c oughs> การที่เราเดินมาถึงตรงนี้ในที่สุดซึ่งเปรียบเหมือนเส้นชัย <c oughs> ไอการมาถึงเส้นชัยไม่ไม่สำคัญเท่ากับการที่เราชนะใจตัวเอง หลายคนก็ไม่สามารถจะมาถึงตรงนี้ได้หลายคนกลับก่อนธรรมยาตราเนี่ยพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยแต่ก่อนนะพอถึงวันสุดท้ายวันที่แปดเนี่ยจะเหลือกันไม่กี่คนเดินกันมาสองร้อยสามร้อยคนพอถึงวันสุดท้ายถึงถึงวันที่เจ็ดเนี่ยคืนสุดท้ายเนี่ย ก็เจอเหลือสักเจ็ดสิบปสบคนยิ่งครั้งแรกๆโดยแล้วเนี่ยนะประมาณสามสิบสี่สิบคนเท่านั้หละที่ที่เหลือนะมันเพิ่งมาช่วงสักห้าหปีหลังนะที่คนที่อยู่กันจนถึงคือสุดท้ายนี่ร้อยกว่าขึ้นไปหรือสองร้อยอแปดปีที่แล้วนี่ที่เราที่เรามาจบกันที่ตัดต้นที่นี่นนะ จำได้ว่าก็อยู่เหลือกันไม่ถึงสักหกสิบเจ็ดสิบคนได้มั้งแล้วก็หนึ่งในสามนั่นก็เป็นนักเรียนรุ่งอรุณนะเพราะกลับไม่ได้นะก็ต้องอยู่นะแต่ที่เหลือที่เขากลับนี่เพราะเขามีธุระนะแล้วก็เ พ, เ, พเพราะมันเวลามันหลายวันไงอันนี้ก็เป็นความก็เป็ น, เ ป, นเป็นความจาเป็นของหลายคน แต่ที่อยากจะบอกคือว่าถึงแม้ว่าหลายคนจะมาไม่ถึงตรงนี้นะจะเรียกว่าเขามาไม่ถึงเส้นชัยแต่ว่าอาตมาว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยมันก็มีคุณค่าไม่น้อยเพราะว่าหลายคนเขาเพราะาเขาได้ชนะใจตัวเอง <Yeah. S 1> บอยครั้งอยากจะเลิกบอยครั้งอยากจะยอมแพ้ บปครัง้งอยากจะขึ้นรถนะอิจฉาคนป่วยที่ขึ้นรถโรงพยาบาลนะติดแอร์ด้วยนโรถพยาบาลเนี่ยแต่ว่าก็กัดฟันนะอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยนะอีกสักอีกสักวันหนึ่งอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะแล้วเาก็สามารถจะทํา ในสิ่งที่ตั้งใจได้แม้ว่ามีเหตุธุระจำเป็นจะต้องกลับก่อนพูดง่ายๆคือไม่ถึงเส้นชัยแต่ว่าอย่างที่ธรรมมาบอกนะการชนะใจตัวเองเนี่ยมันสำคัญกว่าถึงเส้นชัยนะว่าแต่แต่ว่าไม่ได้ชนะใจตัวเองเนี่ยมันมันจะให้ความรู้สึกที่ที่ซาบซึ้งรจตื่นใจน้อยกว่าการที่ชนะใจตัวเอง อาตมาเคลื่นตี้เรื่องสําคัญนะอย่างที่ได้พูดมาสองวันก่อนถึงเรื่องพระมหาชนกเนี่ยพระมหาชนกเนี่ยท่านว่ายน้ํากลางทะเลกลางมหาสมุทรเนี่ยท่านก็ตั้งใจว่าจะไปถึงฝั่งนะแต่ว่าว่ายเท่าไหร่เจ็ดวันก็มองไม่เห็นฝั่งท่านก็ยังว่ายแล้วก็ไม่คิดไม่รู้เลยว่าจะถึงฝั่งหรือเปล่าแต่ท่านก็ทําท่านก็ว่ายนะเรียกว่าทําความเพียรเต็มที่ ถึงฟังไม่ถึงฟังก็ไม่เป็นไรแม้ตายก่อนนะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าทําเต็มที่แล้วแม้ตายก่อนก็ถือว่าไม่เป็นหนี้ใครเทวดาและมนุษย์ก็ติดเตียนไม่ได้อัตมาวะตรงนี้สําคัญนะบ่อยครั้งเนี่ยนะแม้เราจะมีจุดมุ่งหมายที่สูงสง่งหรือว่าดีงามหรือว่าเป็นจุดหมายที่ยากลําบากแล้วก็พยายามที่เพียรเต็มที่ที่จะทําให้ มันถึงจุดหมายปลายทางให้ได้แต่มันก็ไปไม่ถึงเพราะเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์แต่สิ่งสำงานคือความเพียรพยายามนะไม่มีมภาะสิทิจีนบอกว่าความเพียรเป็นของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้านะความสำเร็จเนี่ยมันเป็นของฟ้าจริงๆนะ หมายเขาว่าฟ้าในที่ไม่ ไ, มได้เป็นหมายถึงพรหมลิขิตนะแต่หรือเทวดาแต่หมายถึงว่าเป็นเรื่องถ้าพูดแบบพูดก็คือ เ, เรื่องของเหตุปัจจัยมากมายที่มันอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เช่น mm. บางทีเราตั้งใจเดินมาให้ถึงวันที่แปดแต่ว่าพอถึงวันที่เจ็ก็มีโทรศัพท์ด่วนมาบอกว่าพ่อป่วยนะ mm. หรือว่าลูกไม่สบายอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมเราควบคุมไม่ได้เลย ถึงตอนนั้นเราก็ต้องตัดสินใจกลับนะแต่องน้อยก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะพูดแบบพูดคือว่าพยายามนะความความความพยายามนี่เป็นของมนุษย์นะแต่ว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนัในชีวิตเราคงจะต้องเจอเ ห, เหตุแบบนี้อยู่บ่อยๆ บ, บางคนจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการเปลี่ยนแปลงสังคม การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือว่าบางคนก็จะมุ่งนิพพานการพ้นทุกข์แต่ว่าจะถึงหรือไม่นะมันก็ขึ้นเหตุขึ้เหตุปัจจัยแต่หากได้ทำเต็มที่แล้วนะแม้ไม่สำเร็จก็ถ้าพูดแบบพระมหาชโยคือว่าไม่เป็นหนี้ใครแล้วก็ ไม่ต้องกลัวว่ายะเทวดาและมนุษย์จะติดเตียนได้แต่ถึงแม้ยะเทวดาและมนุษย์จะติดเตียนนะนั้นไม่สําคัญที่มันคือเราติดเตียนตัวเองไม่ได้อันนี้สําคัญกว่าเพราะบางครั้งเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจเรานะเทวดาก็ไม่เข้าใจนะมนุษย์แล้วก็ทั่งคนรักคนใกล้ชิดก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเรา เรามั่นใจนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทาด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วเราก็ทำเต็มที่ <Okay. S 1> บางครั้งเราก็ต้องมาถึงจุดนี้นะจุดที่ว่าคนผู้คนไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดแต่ว่าเราเได้ใข้โควนดีแล้วแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้ถูกต้องเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้ทำด้วยกิเลสตัณหาอุปท า, านถา <Okay. S 1> ถึงตอนนั้นเนี่ยก็ ถ้า ไ, ไม่สำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเสียใจนะเพราะว่าทาเต็มที่แล้วนะอยากจะให้เราได้ลองพิจารณานะประเด็นนี้ดนะูเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญในภายภาคหน้านะในทางในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้คุณค่าความเพียรมากกว่านะสำเร็จไม่สำเร็จนะเป็นเรื่องของฟ้าดินหรือเป็นเรื่องเหตุปัจจัย แต่บางคนก็บอกว่าปเปนะ็ น, น, นปเรื่องของโชค <Yeah. S 1> นะอคนจำนวนไม่น้อยแม้กระทั่งชาวพุทธจำนวนไม่น้อยก็เชื่อเป็นเรื่องของโชคเพราะนั้นเวลาเวลาใครจะทําทอะไรเราก็จะอวยพรว่าโชคดีนะนะอานตมาชอบคาอวยพรคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขาจะอวยพรว่าอะไรก็จะไม่อวยพรว่าโชคดีนะเขาจะอวยพรว่ากัมบัะเตแปลว่าอะไรแปลว่าขอให้สู้นะ สู้ๆนะสู้ไม่ถอยขอยเพียนเต็มที่นะอาจาว่าตรงนี้มันสอดคล้องกับคติพูดมากกว่านะคือทำเต็มที่สำเร็จไม่สำเร็จไม่เป็นไรไม่พึ่งพาโชคนะไม่รอคอยวาสนาวาสนาแบบอันนี้ภาษาไทยนะวาสนานี่หมายถึงว่ามันก็เกลี่ยไปทางโชคกันนะหรือออกไปในทางผมลิกิตได้ซ้า เราต้องพึ่งความเพียงของเราไม่ต้องคอยโชคอนาวัตประทับใจตอนที่ไปเดินทางไกลนะจะคท้ายทุดงหรือว่าเดินธรรมยาตตาเนี่ยในญี่ปุ่นเส้นทางเดินก็เป็นเส้นทางที่จะไปพบปะชุมชนคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นคนที่เรียกว่าแอบ มาทำมาหากินผิดกฎหมายหลายคนก็เป็นผู้หญิงบริการหลายคนก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานในสถานเริงรมและพวกนี้ก็ลำบากกฎขี่เอาเปรียบบางคนก็ทนไม่ได้ต้องฆ่าในจ้างติดคุกเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเมื่อ20ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสนะก็มีการขอร้องว่าให้ไปช่วยเป็นที่พึ่งทางใจคนไทยในญี่ปุ่นหน่อย อันนี้ก็คือเมื่อยี่สิบปีที่แล้วแล้วก็เลือกที่จะเดินเดินนะกับท่านยุกินะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อยู่วัดป่าสุโกโต้ด้วยกันแล้วก็มีคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยหลายคนเดินไปร่วมขบวนจุดหมายคือนากาโน่นากาโน่นี่ก็คือเมืองที่ภายหลังก็ได้จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ก็มีสื่อมวลชนเข้ามารายงานเป็นระยะระยะก็สนใจนะสือมวลชนเนี่ยทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์จะถึงมาสุดท้าย่ยจะกําลังเดินเข้านากโนโน่ก็มีรถคันนึงเนี่ยวิ่งผ่านวิ่งตรงเข้ามาเราเดินอยู่บนลุกฟุตบาท น, นะแต่ว่ามีรถอีกคันนึงวิ่งใก็จะสวนมาเสร็จแล้วพอใกล้ถึงแล้วก็ในรถนี้เขาก็ลถกระจกลง แล้วก็มีเด็กคนหนงโผลวกมาทีแรกเราโน่มเขาจะว่าเราด่าเราแต่เขากลับบอกว่ากัมบัตเตไม่รู้เขาเขาคงได้ข่าวคลาจากเราทางหนังสือพิมพ์หรือทางโทรทัศน์นนะเอเป็นคำอวยพรที่ประทับใจามากนะเขาให้กำลังใจเขาอวยพรเราว่าให้สู้นะอัตมาคิดว่าเนี่ยเรื่องความความเพียรพยายามเนี่ยสำคัญ แล้วก็ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่ไม่ว่าชนะหรือแพ้นะแต่ขอให้ทําเต็มที่ก็แล้วกันอันนี้พวกเราเนี่ยมามาถึงนี่แล้วนะก็อยากจะให้ให้ลองพิจารณาต่อไปนะว่าตลอดการเดินธรรมญาติตานี่ยตัวถึงที่หมายเนี่ยนะอันนั้นก็ ก็ดีอยู่ไม่ใช่เรื่องยากล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากการที่จะพาตัวมาถึงที่หมายจากทํามาไฟหวานจนถึงที่นี่เนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องง่ายเลยแต่ตัวถึงที่หมายนี่มันยังไม่พอนะอยากให้ใจเราถึงทรรมด้วยนะตัวถึงที่หมายแต่ถ้าใจไม่ถึงทรรมเนี่ยมันก็ยังได้ประโยชน์น้อย อุษาหเหนื่อยยากนะพาตัวมันที่หมายนีย่ให้เราจ่ายถึงทรรมด้วยทำในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งคุณงามความดีที่เราจริยธรรมหรือคุณธรรมแล้วก็หมายถึงศัจธรรมคือความจ ร, รมิงหมายความว่าเมื่อเราไม่เพียงแต่เราพาตัวมาถึงนี่เท่านั้นแต่ว่าใจเราก็ได้แง่คิดได้ได้เห็นเอาเกิดความเปลี่ยนแปลง ในทางที่น้อมใจเราให้มุ่งไปในทางคุณธรรมมากขึ้นเลยเพราะกับธรรมชาติเช่นความสํานึกในกระตันในในคุณข้างธรรมชาติความกระตันอยู่รู้คุณปรารถนาที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายไม่เป็นภาระกับธรรมชาติหรือกับโลกใบนี้อันนี้เป็นเรื่องจริยธรรมนะนอกจากการถือศีลน ไม่ปเบียบเบียนคนสี่ห้เรื่องการไม่บียดเบียนคนเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เราต้องคิดถึงเรื่องการไม่บิดเบียนธรรมชาติด้วยใจถึงธรรมนั่ก็คือว่าเกิดความสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติแล้วก็ตระหนักถึงการที่เราต้องมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลับธรรมชาติไม่เบียดเบียนและถ้าใจเราเนี่ยถึงคุณธรรมอย่างอื่นได้ด้วยเช่นสตินะ เห็นคุณข้างสตินะที่ช่วยพาเราเนี่ยให้เดินผ่านความยำลำบากได้โดยที่ใจไม่ทุกขนะ์ mm hmm. ก็จะพูดหลายครั้งนะว่าถ้าเรามีเดินอย่างมีสติเนี่ยแม้ว่ามันจะทุกข์กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แม้ว่ามันจะร้อนกายนะแต่ว่าใจไม่ร้อนปวดกายใจไม่ปวนะ่วยสติช่วยได้มากงั้นถ้าเราเห็น ถ้าใจาเราถึงนะถึงสตินะหรือว่าถึงความรู้สึกตัวนะอย่างที่ในเพลงเนี่ยเพลงที่เปิดให้เราฟังบ่อยๆเนี่ยนะมีเพลงบอกว่าเนี่ยรอยยิ้มเล็กๆนะรอยเท้าน้อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยนะถ้าเราเดินแล้วหน้าไม่ยิ้มนะบึ้งตึงแล้วใจเนี่ยก็จมอยู่ความทุกข์เนี่ย น, น่นเรียกว่าไม่ถึงธรรมนะถึงธรรมคือว่าใจเนี่ยเรารู้สึกตัวบ่อยๆอยู่ความรู้สึกตัวบ่อยๆ <Yeah. S 1> อยากให้ที่เราจัดธรรมญาติตาก็เพื่อ น, นี่แหละส่วนหนึ่งก็คือให้เราได้เห็นคุณค่าของสติความรู้สึกตัวจุงมมหมาคือการฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นหรือถ้าใจเราถึงธรรมที่มันเป็นสัจธรรมความจ ร, รมิง ไม่เป็นต้องไปถึงขั้นไต่ลักอันนี้จังทุกขังนัตตก็ได้แค่ให้เราเห็นความจริงว่าความสุขเนี่ยมันหมายถึงอะไรความสุขที่เกิดจากการเสพการบริโภคเนี่ยมันใช่ความสุขที่แท้หรือไม่หรือว่าถึงแม้จะลำบากกายแต่ว่าพบความสุขใจนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งคือสุขใจไม่เป็นต้องมาพร้อมกับสุขกายก็ได้แม้จะทุกข์กายหรือแม้จะลำบากแต่ว่าสุขใจก็ได้ อยากจะให้เรานี้ได้ใจเราถึงทรรมแบบนี้แหละนะตัวถึงที่หมายก็เก่งแล้วนะต้องชมแต่ว่าให้ใจถึงทรรมด้วยก็ฝากเอาไว้นะให้พวกเราได้ใคร่ครวญในค่ำนี้เตรียมตัวกลับพระ